คำอธิบายปฏิจจสมุปบาทตามแบบข้อขอคำจำกัดความองประกอบหรือหัวข้อตามลำดับก่อนแสดงคำจำกัดความและความหมายตามแบบจะให้คำแปลและความหมายง่ายๆตามรูปสับเป็นพื้นฐานความเข้าใจไว้ชั้นหนึ่งก่อนดังนี้หนึ่งอวิชชาความไม่รู้แจ้งคือไม่รู้ความจริง หรือไม่รู้ตามเป็นจริง 2. ส, สังขารความคิดปรุงแต่งเจตจำนงและทุกสิ่งที่จิตได้สะสมไว้ 3. วิญญาณความรู้ต่อสิ่งที่ถูกรับรู้คือการเห็นได้ยินเป็นต้นจนถึงรู้เรื่องในใจ 4. นามรูปนามธรรมาและรูปธรรม ชีวิตทั้งกายและใจห้าสลายตนะนอายตนะคือช่องทางรับรู้หกได้แก่ตาหูจมูกลิ้นกายใจหกผัสสะการรับรู้การประจวบกันของอายตนะบวกกับอารมณ์คือสิ่งที่ถูกรับรู้บวกเข้ากับวิญญาณ เวทนาความเสวยอารมณ์ความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยเฉย 8. ตัณหาความทยานอยากคืออยากได้อยากเป็นอยากไม่เป็น 9. กุปปาทานความยึดติดถือมั่นการยึดถือค้างใจการยึดถือเข้ากับตัวสิบ ภาวะชีวิตที่เป็นอยู่สภาพชีวิตผลรวมกรรมทั้งหมดของบุคคล 11. อชาติความเกิดความปรากฏแห่งขันทั้งหลายที่ยึดถือเอาเป็นตัวตนส2องจรามรณะความแก่ความตายคือความเสื่อมอินทรีความสลายแห่งขัน ต่อไปนี้คือคำจำกัดความองค์ประกอบหรือหัวข้อทั้งสิบสองตามแบบหนึ่งอวิชชาเท่ากับความไม่รู้ทุก์สมุทยัยเนโรธมักคือไม่รู้อริยสัจสและอธิบายตามแบบอภิธรรมดันงนี้ว่าเท่ากับความไม่รู้หนก่อน ห, หน้าทั้งหนก่อน ห, หน้าคือไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคต ไม่รู้ทั้งอดีตอนาคตและเท่ากับไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทสอสังขารเท่ากับกายสังขารวจีสังขารจิตตสังขารและอธิบายตามนัยยะอภิธรรมดังนี้คือเท่ากับปุญญาภิสังขารอุปปุญญาพิสังขารอาเนนชาพิสังขารปุญญาพิสังขาร คือกุศลเจตนาฝ่ายกามาวจรและฝ่ายรูปาวจรอปุญญาภิสังขารคืออกุศลเจตนาฝ่ายกามาวจรอเนนชาภิสังขารคือกุศลเจตนาฝ่ายอรูปาวจร 3. วิญญาณเท่ากับจักขุวิญญาณโสตะวิญญาณขานะวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณมนโนวิญญาณ รวมเรียกว่าวิญญาณห 4. สนามรูปเท่ากับนามได้แก่เวทนาสัญญาเจตนาผัสสะมณสิการหรือตามแบบอภิธรรมได้แก่เวทนาขันสัญญาขันสังขารขันบวกรูปได้แก่มหาภูตสี่และรูปที่อาศัยมหาภูตสี่หสลาญตนะ เท่ากับจักขุตาโสตะหูคานะจมูกชิวหาลิ้นกายกายมโนใจหผัสสะเท่ากับจักขุสัมผัสโสตะสัมผัสคานะสัมผัสชิวหาสัมผัสกายสัมผัสมโนสัมผัสรวมเรียกว่าสัมผัสหกเจเวทนา เท่ากับเวทนาเกิดจากจากขุดสัมผัสจากโสตสัมผัสคานสัมผัสชิวหาสัมผัสกายสัมผัสและมโนสัมผัสรวมเรียกว่าเวทนาหกแตันหาเท่ากับรูปตันหาตันหาในรูปสัตธตันหาตันหาในเสียงคันธตันหาตันหาในกลิ่นรสตันหาตันหาในรสโพัพะตันหา ตัณหาในสัมผัสทางกายธรรมตัณหาตัณหาในธรรมารมณ์รวมเรียกว่าตัณหาหกอุปาทานเท่ากับกามุปาทานความยึดมั่นในกามคือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสต่างๆที่ถูกปาทานความยึดมั่นในทิฏฐิคือความเห็นข้อยึดถือลัทธิทฤษฎีต่างๆสีลับประตูปาทาน ความยึดมั่นในศีลและพรตว่าจะทำให้คนบริสุทธิ์ได้อัตตวาทุปาทานความยึดมั่นในอัตตาสร้างตัวตนขึ้นยึดถือไว้ด้วยความหลงผิดสิ 10. พบภพเท่ากับกามภพรูปภพอรูปภพอีกนัยยะหนึ่งเท่ากับกรรมภพกับอุปติภพกรรมภพได้แก่ปุญญาพิสังขารปุญญาพิสังขาร อเนินชาภิสังขารอุปปฏิภพได้แก่กามาพรูปพรปพบอรูปปพอีกชุดหนึ่งได้แก่สัญญาพบอสัญญาพบเนวสัญญานาสัญญาพบและอีกชุดหนึ่งได้แก่เอกโวการพบพบที่มีขันเดียวจะตุโวการพบพบที่มีสี่ขันปัญจโวการพบพบที่มีห้าขัน สิบเอ็ดชาติเท่ากับความปรากฏแห่งขันทั้งหลายการได้มาซึ่งอาณาตักต่างๆหรืออีกนัยหนึ่งคือความเกิดความปรากฏขึ้นของธรรมต่างๆเหล่านั้นเหล่านั้นความหมายนัยหลังคือความเกิดความปรากฏขึ้นของธรรมต่างๆเหล่านั้นเหล่านั้นใช้สำหรับอธิบายปฏิจจสมุปบาทที่เป็นไปในขณะจิตเดียวสิบสองชารามรณะ เท่ากับจาราคือความเสื่อมอายุความง่อมอินทรีย์กับมรณะความสลายแห่งขันความขาดชีวิตอินทรีย์หรืออีกนัยหนึ่งคือความเสื่อมและความสลายแห่งธรรมต่างๆเหล่านั้นเหล่านั้นความหมายนัยหลังคือความเสื่อมความสลายของธรรมต่างๆเหล่านั้นเหล่านั้นใช้สําหรับอธิบายปฏิจจสมุปบาทที่เป็นไปในขณะจิตเดียว